พวกเราที่มาปฏิบัติธรรมกันนี้เป็นผู้ที่ปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถไม่เท่ากันมีความฉลาดมากน้อยต่างกันมีกิเลสตัณหามากน้อยต่างกัน การปฏิบัติของแต่ละคนจึงไม่เหมือนกันคือผู้ปฏิบัตินี้จะมีอยู่สี่ประเภทด้วยกันประเภทที่หนึ่งก็คือผู้ที่ปฏิบัติง่ายและบรรลุเร็วคือพวกที่ปฏิบัติง่ายก็คือเป็นพวกที่มีกิเลสบาง มีอุปสรรคน้อยในการปฏิบัติอุปสรรคก็คือนิวรณ์ต่างๆเช่นกามฉชันทะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความง่วงนอนความว่่งเหงาหานอนความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ความโกรธอาฆาตพยาบาท และอันสุดท้ายความราวเหงาหานอนความโกรธความมาคาตพยาบาทความลังเลสงสัยและกามฉันท ะ, ะนี่คือกิเลสหรืออุปสรรคที่ขวางกั้นผู้ปฏิบัติให้ปฏิบัติได้ง่ายหรือปฏิบัติได้ยากถ้ามีนิวรมีกิเลสมากก็จะปฏิบัติได้ยาก ทำใจให้สงบได้ยากส่วนผู้ที่บรรลุเลว็วคือเป็นผู้ที่มีความรู้ความฉลาดในความคิดผู้สามารถพิจารณาเห็นไตรลักษณิจังทุกขังอนัตตาได้อย่างชัดเจนและง่ายได้ก็จะทําให้บรรลุทาได้ ได้อย่างรวดเร็วถ้าสามารถพิจารณาทำต่างๆให้เห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเป็นอสุภะถ้าพิจารณาเห็นได้ง่ายได้ก็จะบรรลุได้อย่างรวดเร็วแต่ก่อนที่จะบรรลุได้อย่างรวดเร็วก็ต้องปฏิบัติให้ใจสงบให้ได้ก่อนถ้าใจ ไม่สงบยังไม่สามารถที่จะเข้าสู่ระดับปัญญาได้ยังต้องต่อสู้กับนิวรณ์คือกามะฉันทะความอยากเสพรูปเสียงกลิ่นรสความง่วงเหงาหานอนห้วอความเกียดคร้านความฟุ้งซ่านความความโกรธเกลียด เกรียดแก้นอาคาตพยาบาทที่เป็นอุปสรรคที่ผู้ปฏิบัติจะต้องทำลายให้ได้ก่อนถึงจะเข้าสู่ความสงบได้ในการปฏิบัติเพื่อให้ใจสงบนี้ยากง่ายก็อยู่ตรงที่ว่ามีอุปสรรคคือนิวรณ์ห้าประการนี้มากน้อยเพียงไรถ้ามีมาก ก็จะปฏิบัติยาเหมือนกับการที่เราจะไปทําสงครามทําศึกถ้ามีคู่ต่อสู้ข้าศึกศัตรูมีจํานวนมากก็จะยากต่อการที่จะเอาชาชนะถ้าข้าศึกศัตรูมีจํานวนน้อยก็จะง่ายต่อการที่จะเอาชาชนะ ชัยชนะของเราก็คือความสงบของใจการที่ใจเราจะสงบได้เราต้องทำลายนิวรณ์ทั้งห้านี้คือการมฉันทะความลังเลยสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์วิจิกิจฉาความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาท แล้วก็ความง่วงเหงาเหานอนความฟุ้งร้านคิดไม่หยุดไม่หย่อนนี่คือสิ่งที่จะทำให้การปฏิบัติยากถ้าเรามีนิวอนน้อยเช่นแทนที่จะมีห้าอาจจะมีแค่ตัวเดียวเช่นความง่วงเหงาเหานอนสมมุติ แล้วถ้าเรารู้จักวิธีแก้ความงว่วง เ, เหงาหาานอนนี้ก็คือไปอยู่ในที่น่ากลัวหรืออดอาหารก็จะช่วยทำลายความงว่งวงเหงาหานอนได้ก็จะไม่มีอุปสรรคในการที่เราจะเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบอันนี้เป็น เหตุที่จะทำให้การปฏิบัตินั้นยากหรือง่ายผู้ที่ไม่มีนิวรณ์หรือมีนิวรณ์น้อยก็จะปฏิบัติง่ายจะทำใจให้สงบได้ง่ายพอใจสงบแล้วถ้ามีความฉลาดที่เห็นเห็นตารักได้อย่างรวดเร็วเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาเห็นอนุสัพ ถ้าเห็นได้อย่างง่ายดายรวดเร็วก็จะบรรลุได้อย่างรวดเร็วนี่คือประเภทที่หนึ่งพวกที่มีความฉลาดแล้วก็มีริวรณ์น้อยก็จะเป็นพวกที่รู้เร็วปฏิบัติง่ายพวกที่สองคือพวกตรงกันข้ามพวกที่รู้ช้าและปฏิบัติยาก ตรงนี้ก็คือปัญญาทึกไม่ฉลาดพิจารณาไตารลักษณ์ไม่เป็นพิจารณาอนิจจังไม่เป็นพิจารณาทุกขังไม่เป็นพิจารณาอนัตตาไม่เป็นพิจารณาอสุภะไม่เป็นมองยังไงก็มองไม่เห็นอสุภะมองยังไงก็ไม่เห็นอนิจจังมองยังไงก็ไม่เห็นทุกขัง มองยังไงก็ไม่เห็นอนัตตาพวกนี้เรียกว่าเป็นพวกปัญญาทึบแล้วก็มีกิเลสหนาคือมีนิวรมากมีกามฉันทะมีวิจิกิจชามีความง่วงเหงาหานอนมีความฟุ้งซ่านมีความโกรธเกลียดเครียดแค้แนอาฆาตพยาบาทถ้ามีสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในใจจะทำให้การ ทำใจให้สงบนี้เป็นไปได้อย่างยากเย็นถ้ามีอย่างนี้พวกนี้เรียกว่าเป็นพวกที่ปฏิบัติยากและบรรลุช้าส่วนอีกสองพวกก็อยู่กลางๆคือพวกที่สมนี้เป็นพวกที่มีกิเลสหนาแต่มีความฉลาดแหลมคม เวลาจะทำใจให้สงบนี้ต้องฟันฝ่ากับนิวรณ์ต่างๆเพราะมีนิวรณ์มากก็เลยทำให้ปฏิบัติยากแต่พอสามารถทำใจให้สงบได้แล้วก็จะบรรลุได้อย่างรวดเร็วเพราะมีความฉลาดในทางปัญญามองเห็น น, นิจางได้อย่างง่ายดายมองเห็นทุกขังได้อย่างง่ายดายมองเห็นอนัตตาได้อย่างง่ายดาย มองเห็นอสุภาพได้อย่างง่ายดายพวงนี้จึงเป็นพวกที่สาคือเป็นพวกที่ปฏิบัติยากเพราะมีนิวรณมากแต่พอฟันฝ่านิวรณได้ทําใจให้สงบได้แล้วพอออกทางปัญญาก็กจะบรรลุได้อย่างรวดเร็วเป็นพวกที่รู้เร็วแต่ปฏิบัติยากพวกที่สี่ก็เป็นพวกที่ นิวรณไม่มากปฏิบัติง่ายไม่มีนิวรณ์มาคอยขัดคอยขวางสามารถทำใจให้สงบได้อย่างง่ายได้นั่งสมาธิห้านาทีส0บนาทีจิตก็รวมลงเข้าสู่สมาธิตรงนี้เรียกว่าปฏิบัติง่ายเพราะไม่มีนิวรณ น, นิวรณ์ก็คือการมฉันทะความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสไม่มี ความเกลียดค้านความว่วงเหงาเหานอนไม่มีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีความกอดเกียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทไม่มีความฟุง้งซ่านไม่มีไม่คิดมากคิดอยู่แต่พุทธโธพุทธโธเพียงอย่างเดียวนี่แสดงว่าเป็นพวกที่มีกิเลสบางมีนิวรณ น, น้อยหรือไม่มีเลย เวลานั่งสมาธิห้านาทีจิตก็รวมเข้าสู่ความสงบได้พวกนี้เรียกว่าเป็นพวกที่มีมีนิวรณ์น้อยมีกิเล็ดบางเป็นพวกที่ปฏิบัติง่ายปฏิบัติให้ใจสงบง่ายแต่มาช้าตรงที่ขั้นปัญญาเป็นพวกปัญญาทึกคือมองไม่เห็นอ น, นิจจัง มองไม่เห็นอนัตตามองไม่เห็นทุกขงังมองไม่เห็นอสุภะก็ เ, เลยไม่สามารถบรรลุธรรมได้มีความสงบมีสมาธิแต่ไม่มีปัญญาหรือปัญญาทึกต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างมากๆ ก, กว่าจะได้กว่าจะเห็นอนิจจังกว่าจะเห็นอนัตตากว่าจะเห็นทุกขงังกว่าจะเห็นอสุภะ พวกนี้ก็เป็นพวกที่4คือพวกที่ปฏิบัติง่ายแต่รู้ชา้าบรรลุชา้านี่คือลักษณะของผู้ปฏิบัติ4ประเภทด้วยกันประเภทที่1ก็คือรู้เร็วและปฏิบัติปฏิบัติง่ายรู้เร็วพวกที่2ปฏิบัติยากรู้ชา้าพวกที่3ปฏิบัติยากแต่รู้เร็วและพวกที่สี่ ปฏิบัติง่ายแต่รู้ช้าขึ้นอยู่ที่ปัญญาและกิเลส<ม>กิเลสก็คือนิวรณถ้ามีมนิวรณมากการปฏิบัติก็จะยากถ้ามีนิวรณ น, น้อยการปฏิบัติก็จะง่ายการจะบรรลุทำได้ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่ความฉลาดในการที่จะพิจารณาใจรับอนิจจังทุกขังอนัตตา พิจาราอสุภะถ้าเห็นได้อย่างรวดเร็วเห็นอะไรปั๊บก็เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นร่างกายปั๊บก็เห็นเป็นอสุภะถ้าเห็นอย่างนี้แสดงว่าเป็นผู้ที่รู้เร็วบรรลุได้เร็วแต่ก่อนจะบรรลุได้ก็ต้องทําใจให้สงบให้ได้ก่อนถ้าใจไม่มีนิวรณ์ก็จะปฏิบัติง่าย ถ้าใจมีนิวร์ก็จะปฏิบัติยากแต่จะยากจะง่ายก็สามารถที่จะทำใจให้สงบได้เพราะถ้ามีนิวร์พระพุทธเจ้าก็มีเครื่องไม้เครื่องมือมาแก้นิวร์เช่นถ้ามีความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ท่านก็สอนให้เข้าหาพระอริยบุคคลต่างๆ ฟังเทศฟังธรรมศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเศกษาคำสอนของพระอริยะบุคคลต่างๆถ้าเราได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมจากพระอริยะเจ้าจากพระพุทธเจ้าเราก็จะเกิดศรัทธาในพระพุทธในพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นมาความลังเลสงสัยว่านิพพานมีจริงหรือไม่ การยุติของการเวียนว่ายตายเกิดนี้มีจริงหรือไม่การปฏิบัติเพื่อให้ได้หลุดพ้นนี้สามารถปฏิบัติได้หรือไม่ถ้าได้ยินได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจากพระอริยสงสามกความลังเลสงสัยต่างๆเหล่านี้จะหายไปเจะทำให้เราไม่ต้อง มากังวลว่าปฏิบัติแล้วจะได้ผลหรือไม่ได้ผลเพาเราจะเชื่ออย่างเต็มหัวใจว่าปฏิบัติแบบพระพุทธเจ้าก็ต้องได้ผลแบบพระพุทธเจ้าอย่างแน่นอนนี่คือวิธีแก้นิวรณ์ที่เกิดจากการมีความลองเลสงสัยถ้ามีความนิวรณ์ที่เกิดจากความง่วงเหงาเหานอนเกียจค้านอันนี้ก็ต้องใช้อุอบาย ไปอยู่ในที่น่ากลัวเช่นไปปฏิบัติในป่าไปอยู่ในป่าช้าหรือเวลาบางองค์ก็ชอบไปเดินทางไปเดินจงกรมที่มีเป็นทางเดินของเสือสมัยก่อนนี้ครูบาอาจารย์ท่านจะเข้าไปในป่าหาทางเดินของเสือของเสือเป็นทางเดินจงกรมตรงไหนมีรอยเท้าเสือท่านจะเลือกตรงนั้นเป็นทางเดินจงกรม พอเวลาเห็นรอยเท้าเสือแล้วมันจะมันจะไม่ง่วงนอนมันจะกลัวความกลัวนี้มันจะทำให้เราไม่ง่วงนอนหรือบางท่านก็ชอไปให้ผีมาปกความง่วงนอนมาทาลายความง่วงนอนไปเดินจงกรมไปนั่งสมาธิในป่าช้าเวลาอยู่ในป่าช้านี่มันจะนอนไม่หลับมันจะไม่ง่วงนอน หรือว่าถ้าไม่สามารถไปหาสถานที่เหล่านี้ได้ก็ใช้วิธีการผ่อนอาหารหรืออดอาหารอย่ารับประทานอาหารให้มันมากเกินไปรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้เป็นเ ป, เป็นปกติสุขแต่อย่าไปรับประทานเพื่อความอิ่มหนำสาราญใจอย่ารับรับประทานตามความอยากรับประทานพอให้ร่างกายอยู่ได้ไม่ง่วงเหงาหงานอน ถ้าง่วงเหง า, าหง่อนก็ต้องลดปริมาณลงไปที่เราเล็กเทาน้อยดูให้มันเหมาะสมคือจะไม่ให้ร่างกายรับประทานอาหารเลยนะั้นย่อมเป็นไปไม่ได้ย่อมเกิดโทษกับร่างกายแต่ถ้ารับประทานแล้วเกิดความง่วงนอนเกิดความเกียดค้าดการการับประทานก็เป็นโทษเหมือนกันต้องหาความพอดีในการรับประทานอาหารรับประทานแล้วไม่ง่วงนอนเ ในเบื้องต้นอาจจะต้องอดบ้างเพราะว่าปริมาณอาหารที่สะสมไว้ในร่างกายนี้มันมีมากเกินไปในใบางคนนี้ไม่รับประทานอาหารสิบวันก็ไม่ตายเพราะมีสเบียงที่สะสมไว้ในร่างกายในรูปแบบของไขมันไขมันนี้สามารถที่จะถอน ด, ดูดออกมาใช้เป็นอาหารได้เวลาที่ไม่มีอาหารใหม่เข้าไป ก็เอาอาหารสะสมที่มีอยู่ในร่างกายนี้ใช้ได้เพราะฉะนั้นแต่ละคนก็จะมีมาตรการการอดการผ่อนอาหารมากน้อยต่างกันถ้าคน้อมแล้วไปอดมากๆก็อาจจะเกิดโทษกับร่างกายได้แต่ถ้าคนอ้วนนี่ถ้าอดมากๆก็ไม่น่าจะเกิดโทษกับร่างกายมากเพราะ ร่างกายมีอาหารพอเพียงที่จะทาให้อยู่อย่างเป็นปกติสุขได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นผู้ที่จะใช้มาตรการอดอาหารผ่อนอาหาร <c oughs> ก็ต้องดอูสภาพของตนว่าควรจะทำมากน้อยเพียงไรทำแล้วทำให้ความว่องเน้าหายไปหรือไมอ่ถ้าผ่อนอาหารแล้วยังไม่หาย เช่น ก, กลกรับประทานวันละสามมือก็มารับประทานสองมือไม่รับประทานมื้อเย็นเช่นถือศีลแปดถ้ารับประทานสองมือยังมีความง่วงนอนอยู่ก็ลองลดเหลือมือม้อเดียวถ้ามื้อเดียวยังมีความง่วงนอนอยู่ก็อาจจะกินวันแล้ววันเว้นวันวันละมือ้อวันนี้กินพรุ่งนี้ไม่กินผ่อนไปอย่างนี้ แล้วรับรองได้ว่าความง่วงเหงาเหานอนนี้จะหายไปจะไม่มาเป็นอุปสรรคต่อการเดินจงกรมนั่งสมาธินี่คือมาตรการของการแก้กิเลสที่เรียกว่าความง่วงเหงาเหานอนมาตรการที่เราจะใช้มาแก้กามะชันทะคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส เราก็ต้องสำรวมตาหูจมูกนิ้นกายอย่าอย่าไปดูไปฟังในสิ่งที่เราชอบดูชอบฟังฝืนต้องบังคับปิดทวารทั้งห้าวิธีปิดทวารก็ให้ไปปรีกวิเวกไปอยู่ที่ห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาที่เป็นวัดปฏิบัติ ที่จะไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสให้เสพกันทีวีไม่มีดูเพลงไม่มีฟังอ ะ, อะไรเครื่องบันเทิงต่างๆไม่มีอตอนนี้ไปอยู่วัดป่าแล้วก็ต้องปิดโทรศัพท์เนะพราะโทรศัพท์ก็เป็นเครื่องมือของกาลวัชันธาพอเปิดโทรศัพท์แล้วก็เดี๋ยวก็เข้าไปดูอะไรต่างๆได้ใน ในเว็บต่างๆอันนี้ถ้าอยากจะสำรวมอินเีอ์ต้องการที่จะควบคุมการวัดฉันทะความอยากในรูปเสียงกินลดก็ต้องไม่ดูไม่ฟังอะไรสมัยก่อนที่วัดป่าบ้านตาไม่มีโทรศัพท์มือถือก็เลยไม่ได้มีการห้ามเรื่องโทรศัพท์ส่วนโทรศัพท์ที่วัดก็ไม่มีเพราะไม่มีสายโทรศัพท์ไฟฟ้าก็ไม่มี ตัวทีวีก็เลยดูไม่ได้ไ ม, ไม่มีดูหนังสือพิมพ์ก็ไม่ให้ดูเพราะของพวกนี้มันจะดูดใจให้ออกมาเสบรูปเสียงกลิ่นรดพอเสบแล้วก็จะเกิดความไม่สงบของใจขึ้นมาเกิดความอยากจะเสบมากขึ้นไปเรื่อยๆก็จะทําให้การทําใจให้สงบนี้ทําได้ยากเพราะความสงบของใจนี้ต้องดึง ใจให้ออกจากกามอารมณ์ต่างๆออกจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะผู้ที่บําเพ็ญจึงจําเป็นต้องไปปลีกวิเวกอยู่ในสถานที่สงบสงัดห่างไกลจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพภะชนิดต่างๆนี่คือมาตรการที่ใช้ในการควบคุมกามฉันทะแล้วถ้ามีความคิดฟุง้งซ่านชอบคิดอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องจเจริญสติให้มากๆบังคับจิตให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งให้อยู่กับพุทโธพุทโธไปอย่าปล่อยให้แวบไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้พราถ้าปล่อยให้คิดแล้วมันจะไม่มีวันที่จะสงบได้ต้องใช้สติต้องจเจริญสติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาพอลื่นตาขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปเลย อย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้คนนั้นคนนี้ถ้าจะคิดก็คิดเกี่ยวกับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เช่นกลัง <c oughs> กาลังอาบน้ำก็คิดอยู่กับเรื่องอาบน้ำฟอกสบู่หรือเวลาแปรงฟันก็คิดอยู่กับเรื่องแปรงฟันอย่าไปคิดเรื่องอื่นหรือแปลงไปแล้วใช้พุทธโทพุทธโทไปก็ได้อย่าไปแปรงฟันแล้วก็คิดถึงคนนั้นคนนี้ คิดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้คิดถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดขึ้นวันพรุ่งนี้อย่าปล่อยใจให้คิด <c oughs> ถ้าคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะไม่สงบใจก็จะฟุ่งสร้างต้องใช้สติต้องหมั่นเจริญสติให้มากๆถึงจะสามารถฟันฝ่านิวรณตัวนี้ไปได้แล้วถ้ามีใจที่โกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาท พรคนนั้นคนนี้พูดไม่ดีทําไม่ดีพูดแล้วทาให้เกิดความไม่พอใจเกิดความเกลียดขึ้นมาก็ต้องแผ่เมตตาต้องสัะเพสตาเอเวลาโหนตุต้องให้อภัยไม่จองเวนคนที่เขาพูดหรือทําอะไรที่ทําให้เราไม่พอใจทําให้เราเสียหายก็อย่าไปเอาโทษให้อภัย พอให้อภัยแล้วความโกรธเกลียดก็จะสงบงเงีบไปถ้าให้อภัยไม่ได้จะจองเวรจองกันความโกรธความเกลียดมันก็จะ <c oughs> ไม่ดับไปไม่หายไปนี่คือมาตรการที่พุทธเจ้าทรงสองนะให้ผู้ที่มีกิเลสนาะคือมีความมีนิวรณ์มากมีกามฉันทะ มีวิจิตกิจฉ้ามีความง่วงเหงาหานอนมีความฟุ้งซ่านมีความโกรธเกลียดเครียดแค้นอาฆาตพยาบาทให้ทำลายนิวรนเหล่านี้ให้ได้เพราะถ้าทำลายไม่ได้จิตจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้ถ้ามีนิวรนมากก็จะทำให้การปฏิบัติยาก ถ้ามีนิวรณนน้อยก็จะทำให้การปฏิบัติง่ายนี่คือขั้นต้นของการปฏิบัติเพื่อทำใจให้สงบก่อนจึงมีการปฏิบัติง่ายหรือปฏิบัติยากขึ้นอยู่ที่ว่ามีนิวรณ์มากหรือมีนิวรณ์น้อยส่วนเมื่อได้ใจที่สงบแล้วก็ต้องไปทางปัญญาต่อเพราะการจะบรรลุทมรู้เห็นธรรมนี้ต้องรู้ด้วยปัญญา ไม่ได้รู้ด้วยสมาธิไม่ได้รู้ด้วยความสงบแต่รู้ปัจจุบันรู้ทำก็ต้องให้รู้ใจลักรู้อ น, นิจจ์รู้ว่าความไม่เที่ยงเป็นอย่างไรความไม่เที่ยงก็คือเกิดแล้วต้องมีการแกร่มีการเจ็บมีการตายมีการพัดผ่กากกันอันนี้เรียกว่าไม่เที่ยงเกิดมาแล้วไม่ได้เป็นเด็กทารกไปตลอดน พอเป็นผู้ใหญ่โตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่แล้วเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ไม่ได้เป็นหนุ่มเป็นสาวไปตลอดจากหนุ่มจากสาวก็ไปเป็นคนสูงอายุคนชราแล้วก็เป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็เป็นคนตายนี่คืออนิจจังต้องมองเห็นสภาพของการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและของและของต่างๆสิ่งต่างๆมีการเปลี่ยนแปลง ของเชิ้เสื้อผ้าซื้อมาใหม่ๆก็ดูสวยงามพอใช้ไปใช้ไปใส่ไปความสวยงามมันก็ค่อยจืดจางไปแล้วไม่นานมันก็ขาดใช้การไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าอ น, นิจจังมีเกิดแล้วต้องมีการดับไปเป็นธรรมดาให้เห็นอ น, นิจจังต้องเห็นอย่างนี้เห็นอสุภาก็เห็นความไม่สวยงามของร่างกาย ร่างกายเวลาออกไปนอกบ้านมักจะถูกแต่งเสริมความงามทำให้ดูแ่าหน้าดูแต่เวลาอยู่ในบ้านนี้จะเป็นคนละคนเวลาไม่อยู่บ้านนี้จะไม่ได้แต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจะไม่ได้สวมใส่เสื้อผ้าที่สวยงามจะใส่เสื้อผ้าแบบสบายสบายดูแล้วก็ไม่สวยงาม ถ้าจะดูร่างกายก็ดูตอนที่ตื่นขึ้นมาถ้าจะดูว่าไม่สวยงามเวลาคนตื่นขึ้นมานี้ไม่เหมือนกับคนที่เวลาออกไปนอกบ้านหรือเวลาที่เจ็บไข้ได้ป่วยหรือเวลาที่ตายไปจะเห็นสภาพของความไม่สวยงามของร่างกายยิ่งตายไปสามวันห้าวันเจ็ดวันนี้สภาพยิ่งไม่น่าดูเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับ นี่คือการดูอสุภะดูว่าเห็นว่าร่างกายที่สวยงามนี้ความจริงมันเป็นของปลอมของจริงมันจะต้องกลายเป็นซากศพไปไม่ช้าก็เร็วสักวันใดวันหนึ่งหรือจะมองเข้าไปภายใต้ผิวหนังของร่างกายก็ได้ก็จะเห็นอาการสาสองที่ซ่อนอยู่ภายใต้ของร่างภายใต้ผิวหนังเช่นเห็นโครงกระดูกเห็นปอดเห็นหัวใจเห็นตบับเห็นลำไส้ เห็นอะไรต่างๆที่ดูไม่น่าดูอันนี้เรียกว่าการเห็นอสุภะต้องใช้ความพยายามพิจารณามองอยู่เรื่อยๆคิดอยู่เรื่อยๆเพราะการมองเห็นเพียงแค่วัดเดียวครั้งเดียวนี้ไม่พอเพราะว่าเดี๋ยวมันเดิมได้พอเห็นปับ๊บเดี๋ยวมันก็ลืมแล้วถ้าไม่เอามาคิดอยู่เรื่อยๆมาดูอยู่เรื่อยๆต้องคิดอยู่เรื่อยๆต้องดูอยู่เรื่อยๆ เพราะว่าถ้าไม่เห็นความไม่สวยงามก็จะเกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาได้แล้วก็จะเกิดความทุกข์ใจตามมาต่อไป <c oughs> อันนี้ก็เรื่องของการเจริญปัญญาบางคนนี้สามารถรู้ได้อย่างรวดเร็วและรู้แล้วก็จําได้ตลอดเวลาไม่หลงไม่ลืมเห็นนั่งกายของใครปุ๊บก็จะเห็นเห็นเป็นซากศพไปทันทีเห็นอาการสามสิบสอง เห็นส่วนต่างๆที่ซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังเห็นทะลุเหมือนกับาการใช้เอ็กซ์เรย์เวลาหมอเขอยากจะดูกระดูกนี่เขาต้องไปใช้เอ็กซเรย์ถึงจะเห็นกระดูกปัญญานี้ไม่ต้องใช้เครื่องเอ็กซเรย์เพียงแต่นึกถึงภาพนั้นบ่อยๆนึกถึงโครงกระดูกบ่อยๆพอเวลามองใครก็นึกถึงโครงกระดูกของเขาต่อไปมันก็จะเห็นโครงกระดูกโผล่ขึ้นม า, อ ย, าอย่างรวดเร็ว อันนี้เห็นด้วยปัญญาจะรู้เร็วรู้ช้าก็อยู่ที่ความสามารถว่าจะเห็นสิ่งนี้ได้ได้ได้หรือไม่ถ้าเห็นได้ก็จะบรรลุได้เร็วถ้าเห็นยากถ้าเห็นไม่เห็นก็จะบรรลุได้ช้าเพราะจะต้องใช้เวลามากต่อการที่จะทําให้เห็นได้บางคนต้องใช้เวลาพิจารณานานกว่าจะเห็นอสุภะนานกว่าจะเห็นอ น, นิจจัง นานกว่าจะเห็นทุกขังนานกว่าจะเห็นอนัตตาถ้าไม่เห็นทมเหล่านี้ก็จะบรรลุธรรมไม่ได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติยากง่ายหรือบรรลุเร็วหรือช้าขึ้นอยู่ที่กิเลสกับความรู้ความฉลาดของผู้ปฏิบัติถ้ามีกิเลสหนาะปัญญาทึบ ก็จะปฏิบัติยากแล้วก็จะบรรลุช้าถ้ามีกิเลสบางปัญญาฉลาดแหลมคมก็จะบรรลุเร็วและปฏิบัติง่ายแต่สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่เป็นอุปสรรคเลยถ้าตามใดผู้ปฏิบัติมีความเพียรพยายามไม่ยออ่อท้อถึงแม้จะยากก็สู้ไปถึงแม้จะช้าก็ปฏิบัติไป ก็สามารถที่จะบรรลุผลได้เหมือนกันพอบรรลุผลแล้วก็ได้ผลเท่ากันจะบรรลุง่ายบรรลุเร็วปฏิบัติง่ายหรือจะรู้ช้าปฏิบัติยากแต่พอได้นิพพานแล้วมันก็เป็นนิพพานอันเดียวกันเหมือนกับเด็กเรียนหนังสือในมาหาหลัยบางคนเรียนสี่ปีจบ บางคนเรียน5้าปีหปีถึงจะจบแต่พอได้ปริญญาแล้วก็เป็นปริญญาอันเดียวกันเขาไม่ได้แยกแยะ ว, ว่าอันนี้เป็นปริญญาสี่ปีอันนี้เป็นปริญญาห้าปีหรือเป็นปริญญาหปีก็ถือว่าเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นปนริญญาเหมือนกัน ช, ชั้นใดนิพานก็เหมือนกันนิพานบรรลุเจ็วันหรือบรรลุเจเดือนหรือบรรลุเจปี มันก็เป็นนิพพานเหมือนกันหลุดพ้นจากกองทุกข์ของการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันที่แสดงนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติจะได้ไม่ต้องกังวลเวลาเห็นคนอื่นเขาปฏิบัติง่ายและบรรลุเร็วแล้วเรามันปฏิบัติชา้าบรรลุปฏิบัติยากและบรรลุชา้าก็อย่าไปท้อแท้อย่ายกทงขาวขอให้เราทําไป เพราะว่าเหมือนกับกระต่ายกับเตา่ากระต่ายมันวิ่งเร็วถ้ามันจะวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางมันก็จะไปถึงได้อย่างรวดเร็วกว่าเตา่าเพราะเต่ามันก็ต้องคลานไปเรื่อยๆกว่าจะถึงมันก็ต้องช้ากว่ากระต่ายแต่ถ้าเต่ามันไม่ยอมยกถงขาวไม่ยอมถอยไม่ยอมหยุดในการปฏิบัติยากก็ปฏิบัติ บรรลุช้าก็พิจารณาไปเรื่อยๆเดี๋ยวไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งก็จะบรรลุถึงผลได้สิ่งที่จะทําให้บรรลุนั้นไม่ได้อยู่ที่ว่ากิเลสหนาหรือบางปัญญาฉลาดแหลมคมหรือทึบสิ่งที่จะทําให้บรรลุก็คือความเพียรความเพียรพยายามความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จน่อมย่อมอยู่ที่นั่นถ้ามีความเพียร ถึงแม้กิเลตจะหนาทำให้ช้าก็ช้าก็ไม่เป็นไรเหมือนขับรถมานี่บางคนขับรถมาเร็วบางคนขับรถมาช้าบางคนขับเก่งขับมาได้อย่างรวดเร็วบางคนขับไม่เก่งขับมาต้องขับมาช้าช้าแต่พอมาถึงที่นี่แล้วก็ถือว่าถึงที่เดียวกันจะมาถึงก่อนถึงหลังก็ไม่สาคัญอะไรขอให้มาให้ถึงก็แล้วกัน เราจะมาให้ถึงได้ก็ต้องขับรถมาอยู่ไม่หยุดไม่ถอ ย, ไ ม, ถอยไม่เปลี่ยนทิศทางแล้วในที่สุดก็จะมาถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นการปฏิบัติของพวกเราแต่ละคนนี้จึงไม่เหมือนกันอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่าบางคนก็บรรลุภายในเจ็ดวันบางคนก็บรรลุภายในเจ็ดเดือนบางคนก็บรรลุภายในเจ็ดปี ก็เพราะว่ามีความสามารถความรู้ความฉลาดไม่เท่ากันนั่นเองแต่สิ่งที่เท่ากันก็คือความเพียรผู้ใดมีความเพียรที่จะปฏิบัติไม่หยุดไม่หย่อนไม่ยกทงขาวถึงแม้จะยากก็ปฏิบัติไปถึงแม้จะง่ายก็ปฏิบัติไปถึงแม้จะบรรลุเร็วก็ปฏิบัติไปบรรลุช้าก็ปฏิบัติไป ไม่หยุดในการปฏิบัติก็จะถึงจุดหมายปลายทางได้เช่นเดียวกันนี่คือสิ่งที่พวกเราควรจะให้ความสำคัญคือความเพียรพยายามขอให้เลือกอยู่เรื่อยๆว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นอย่าย่างงา่ายไม่เป็นปัญหาอะไรจะรู้เร็วรู้ช้าไม่เป็นปัญหาอะไรปัญหาอยู่ที่ว่าจะเพียรหรือไม่เพียร ถ้าไม่เพีย่ยนนะมันต่อให้ปฏิบัติง่ายก็ไปไม่ถึงต่อให้รู้เร็วก็ไปไม่ถึงถ้าไม่มีการปฏิบัติเหมือนกับกระต่ายกระต่ายนี่ก็วิ่งสองสามเก้าแล้วเดี๋ยวก็หยุดไปกินอะไรไปเล่นไปอะไรไม่วิ่งต่อไม่เหมือนเต่านี่เดินคานไปเรื่อยๆไม่ยอมหยุดไม่ยอมแวะไม่ยอมไปทําอะไรอย่างอื่น ผานไปเรื่อยๆเดี๋ยวไปทำไปทำมาเต่ากลับไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนกระต่ายเพราะเต่ามีความเพียรพยายามไม่หยุดไม่ย่อนในการปฏิบัติส่วนกระต่ายนี่ปฏิบัติแบบไฟไม่ฟังพออยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติพอไม่อยากจะปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัตินี่ถ้าทำอย่างนี้ก็จะสู้ก็สู้เต่าไม่ได้ เต่ามีความเพียงอย่างสม่ำเสมอส่วนกระต่ายนี้มีความเพียงแบบไฟไม่ฟังวันไหนมีอารมณ์อยากจะปฏิบัติก็ปฏิบัติวันไหนไม่มีอารมณ์จะปฏิบัติก็ไม่ปฏิบัติถ้าอย่างนี้สู้เต่าไม่ได้เพราะว่าตัวที่ความสำคัญอยู่ที่ความเพียนไม่ได้อยู่ที่ว่าวิ่งเร็วกว่าหรือวิ่งช้ากว่ากันต่อให้วิ่งเร็วกว่ากันร้อยเท่า แต่ถ้าไม่วิ่งมันก็ไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ไปถึงหลักชัยได้ตัวที่วิ่งช้ากว่าแต่ถ้าวิ่งไม่หยุดไม่หย่อนเดี๋ยวก็ถึงหลักชัยได้ดังนั้นเราต้องมองที่ตัวนี้เป็นหลักอย่าไปมองที่ช้าหรือเร็วยากหรือง่ายถ้ายากเราก็มีต้องหามาตรการมาช่วยมาแก้ความยากมาทำลายดิวร อ, อุปสรรคต่างๆ แล้วถ้าเราบรรลุช้าเพปัญญาเราทึบเราก็ต้องขยันพิจารณาให้มากๆขยันศึกษาวิธีพิจารณาอสุภะว่าพิจารณาอย่างไรพิจารณาอนิจจพิจารณาอย่างไรพิจารณาทุกขังพิจารณาอย่างไรพิจารณาอนัตตาพิจารณาอย่างไรพยายามศึกษาหาความรู้จากผู้ที่เขารู้เช่น พยายามฟังเทศฟังธรรมให้มากให้บ่อยขึ้นถ้าเราปัญญาทึบต้องอาศัยปัญญาของพระพุทธเจ้าอาศัยปัญญาของพระอาจานตสาวกคอยสั่งคอยสอนเราถึงจะเข้าใจถึงวิธีการที่จะพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาพิจารณาอสุภะเพื่อให้เราได้เห็นอย่างชัดเจนเพื่อที่เราจะได้ เอาไปทำลายตอนหาความอยากต่างๆที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์และต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดให้หมดไปจากใจดังนั้นขอให้เรามีความเพียรกันอย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอวิธีที่จะทําให้มีความเพียรเราก็คือต้องมีวินยัยเราต้องกําหนดตารางของการปฏิบัติว่าเราจะปฏิบัติมากน้อยเพียงไร เราตอนนี้สมมติว่าเราเริ่มต้นที่ศูนย์เราก็ต้องตั้งเป้าว่าต่อไปนี้เราจะปฏิบัติน้อยละสิของเวลาที่เรามีอยู่วันหนึ่งมียี่บสี่ชั่วโมงเราจะเอาเวลายี่บสี่ชั่วโมงนี้มาปฏิบัติน้อยละสิบเราค่อยเพิ่มขึ้นไปจากน้อยละสิบเป็นร้อยละยี่สิบ้อยละสามสิบเพิ่มขึ้นไปได้เรื่อย เวลาไหนที่เราต้องเอาไปใช้ในภารกิจสาคัญเราก็ต้องยอมเช่นเอาไปใช้กับการพักผ่อนหลับนอนเอาไปใช้กับการดูแลรักษาร่างกายเช่นทำมาหากินหาอาหารหาปัจจัยสี่ส่วนเวลาที่เหลือนี้เราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมให้มากขึ้นมากขึ้นตัดเอาเวลาที่เราไปใช้กับกิเลสตัณหาให้น้อยลงไป ทุกวันนี้ที่เราไม่มีเวลาปฏิบัติกันมากส่วนหนึ่งก็อยู่ที่ว่าเราปล่อยให้เวลานี้ไปกับกิเลสแทนที่จะนั่งสมาธิก็นั่งดูละครกันอย่างนี้เป็นตน้นเราต้องเอาเวลาที่เราไปใช้กับกิเลสนี้มาใช้กับการปฏิบัติธรรมเวลามีวันหยุดแทนที่จะไปเที่ยวกันก็เอาวันที่ไปเที่ยวนี้มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกัน เราต้องมีกําหนดมีตารางเวลาของการปฏิบัติแล้วก็ต้องควบคุมบังคับตัวเราให้ทําตามตารางที่เราได้กําหนดเอาไว้แล้วเราจะได้มีความเพียรเราจะเพียรได้ต่อเมื่อเรามีเวลาเพียรถ้าเราไม่มีเวลาเพียรเราจะเพียรได้อย่างไรถ้าเราเอาเวลาไปกินเลี้ยงเอาเวลาไปดูละครเอาเวลาไปดูหนังฟังเพลง เอาเวลาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆแล้วเราจะ เ, เวลามาทําความเพียรได้อย่างไรเมื่อเราไม่มีเวลาทําความเพียรเราก็ไม่มีความเพียรเมื่อไม่มีความเพียรก็จะไม่มีการบรรลุผลต่างๆผลของการปฏิบัตินี้เกิดจากการทําความเพียรเพียรเดินจงกรมเพียรนั่งสมาธิเพียทรทําลายนิวรณ์ต่างๆที่มีอยู่ในจิตในใจให้หมดไป พอใจสงบแล้ก็เพียนจริญพิจณาปัญญาขั้นต้นปัญญาต่างๆพิจณาอันนี้จังในร่างกายร่างกายเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะเวลาเป็นสรากศพนี้ถึงแม้จะรักกันแทบเกืนกินเวลาตายแล้วก็ไม่มีใครอยากจะเก็บเอาไว้แล้วยกให้ศัพเปลยยกให้วัดไปแล้ว ทำไมยกให้เขาไปเพราะมันไม่น่าดูนั่นเองไม่มีใครอยากจะดูซากศพกันซากศพมันมาจากไหนมันก็มาจากคนที่หน้าตาหน้าดูหน้าชมในขณะที่มีชีวิตอยู่นี่แหละพอไม่มีลมหายใจเท่านั้นความหน้าดูหน้าชมก็หายไปแล้วกลายเป็นหน้าเกลียดหน้ากลัวขึ้นมาทันทีเราไม่คิดกันเราไม่พิจารณากันก็เลยมองไม่เห็นอสุภะในความสวยความงามของร่างกาย เห็นแต่ความสวยความงามของร่างกายแต่กลับมองไม่เห็นอสุภะที่เป็นของที่เป็นของคู่กันร่างกายนี้มันมีสวยแล้วมันก็ต้องมีไม่สวยมันเป็นเหมือนเหรียญที่มามีเหรียญสองด้านมีหัวกับก้อยแต่เรามักจะมองด้านเดียวเห็นแต่ด้านสวยเลยหลงรักหลงรักข้างครกับร่างกายแต่ถ้าเห็นด้านที่ไม่สวยเราก็จะไม่หลงรักข้างใคร ก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่ทุกข์กับร่างกายแต่ถ้าเราลักความสวยงามของร่างกายพอเราเสียร่างกายที่สวยงามไปเราก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมานี่คือเรื่องของปัญญาหลังจากที่เราทำใจให้สงบได้แล้วใจออกจากความสงบออกจากสมาธิเราก็ต้องดึงออกมาพิจารณาทางอสุภะบ้างทางอนิจจังบ้าง ทางอนัตตาบ้างทางทุกขังบ้างให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อเห็นว่ามันเป็นทุกข์แล้วเราก็จะไม่อยากได้ไม่อยากมีใครอยากจะมีความทุกข์บ้างแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นความทุกข์กันเราก็เลยอยากได้กันอยากมีกันพอมีแล้วก็ต้องมาทุกข์กับมันในที่สุดเพราะไม่มีปัญญามองไม่เห็นทุกขังมองไม่เห็นอนิจจังมองไม่เห็นอนัตตา มองไม่เห็นอสุภะนี่คือเรื่องของปัญญาหลังจากที่ได้สมาธิแล้วขั้นต่อไปก็คือขั้นของปัญญาถ้ายังไม่ได้สมาธินี้ขั้นปัญญานี้ยังทํางานไม่ได้ไม่มีกําลังที่จะทํางานเพราะใจนี้จะไม่สงบพอที่จะมาพิจารณาเรื่องของปัญญาได้ใจจะถูก กามฉันทะการมลลมต่างๆดึงดูดให้ไปคิดถึงรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะจะไม่สามารถดึงมาคิดเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาได้ดังนั้นเราต้องทําใจให้สงบให้ได้ก่อนเมื่อใจสงบแล้วจกิเลสตัณหาคือกามฉันทะนี้จะเบาบางลงจะไม่มีกําลังที่จะดึงให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสที่น่าดูน่าชม เราก็สามารถเดึงให้มันมามองรูปเสียงกลิ่นรสที่ไม่น่าดูน่าชมรูปเสียงกลิ่นรสที่เสื่อมไปที่หมดไปว่ามันไม่มันมันไม่น่าดูไม่น่าชมไม่น่าหลงไม่น่าติดอันนี้จะเป็นเรื่องของปัญญาที่จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อ มีใจมีความสงบแล้วมีสมาธิแล้วแต่ไม่ได้ให้ใช้ปัญญาในขณะที่อยู่ในสมาธิขณะที่ทําสมาธิทําใจให้สงบนี้ไม่ได้เป็นเวลาที่จะพิจารณาทางปัญญานั่งสมาธิเพื่อทําใจให้สงบพอใจสงบนี้ต้องปล่อยให้สงบไปเรื่อยๆเหมือนกับเวลาที่เราไปพักผ่อนหลับนอนเวลาหลับนอนนี้เราไม่ปุกร่างกายขึ้นมาทํางาน เราต้องการให้ร่างกายพักผ่อนให้เต็มที่เพื่อให้มีกําลังวังชาพอตื่นขึ้นมาแล้วค่อยดึงไปทำงานแต่ตอนที่ยังหลับนี้อย่าเพิ่งไปปลุกขึ้นมาชั้นใดสมาธิก็ชั้นนั้นเวลาจิตรวมเข้าสู่สมาธิเวลานั้นไม่ใช่เป็นเวลาที่จะเจริญปัญญาอย่าดึงใจออกมาพิจารณาปล่อยให้ใจสงบให้นานที่สุดให้อยู่ในสมาธิจนกว่าจะอิ่มตัว เมื่ออิ่มตัวแล้วก็จะถอนขึ้นมาเองเวลาถอนออกมาก็จะมีกำลังวังชามีความสดชื่นเบิกบานพร้อมที่จะเอาไปพิ จ, จารณาอันนี้จังทุกขงังอนัตตาพร้อมที่จะพิจารณาอสุภาได้นี่คือเรื่องของการเจริญปัญญาต้องเจริญหลังจากที่ได้สมาธิแล้วต้องออกจากสมาธิแล้วถึงจะเจริญ เวลาที่จิตสงบนิ่งไม่คิดตรงแต่งเวลานั้นไม่ใช่เวลาเจริญปัญญาเป็นเวลาให้อาหารให้กำลังวังชาแกศใจคือให้พลังกับใจความสงบนี้เป็นพลังของใจที่จะเอามาใช้ในการพิจารณาทางปัญญาต่อไปหลังจากที่ออกจากความสงบแล้วเหมือนกับการพักผ่อนหลับนอนรับประทานอาหารของร่างกาย เวลารับประทานอาหารเวลาพักผ่อนหลับนอนไม่ใช่เป็นเวลาทํางานแต่เวลาที่ได้พักผ่อนหลับนอนได้รับประทานอาหารเต็มที่แล้วพอลุกขึ้นมาตื่นขึ้นมาแล้วค่อยเป็นเวลาที่จะไปทํางานทานําสารอันนี้ก็เหมือนกันปัญญาเป็นการทํางานของใจสมาธิเป็นการพักผ่อนของใจผู้ปฏิบัติต้องรู้จักแยกแยะทําให้ถูกบางคนไม่เข้าใจพอ นังสมาธิพอทำใจให้รวมสงบปั๊บก็ดึงออกมาให้พิจารณาทางปัญญาอันนี้จะไม่มีกำลังเหมือนกับคนที่กินข้าวได้สองคำก็เรียกบอกไปทำงานต่อไปหลับนอนได้เพียงห้านาทีก็ปลุกขึ้นมาให้ไปทำงานมันก็จะไม่มีเรีย่ยวลมีแรงไม่มีกำลังวังชาที่ไปจะที่จะไปทำงานได้อย่างมีเหตุมีผล ต้องให้ได้พักผ่อนหลับนอนอย่างเต็มที่ได้รับประทานอาหารอย่างเต็มที่แล้วถึงจะค่อยเอาไปทํางานจิตก็เหมือนกันจิตต้องรวมอยู่ในสมาธิให้อิ่มตัวเมื่ออิ่มตัวแล้วจิตจะถอนออกมาเองเมื่อถอนออกมาแล้วทีนี้ก็เอาไปใช้ทางปัญญาอย่าให้มันไปคิดทางการมลลมต่างๆอย่าให้ไปคิดถึงรูปเสียงกิน่นรสโผฏฐัพพะให้ไปคิดทางอนิจจังทุกขังอนัตตาให้ไปคิดทาง อาสุภะให้คิดในทางมรนานุสติคิดถึงความตายนี่คือเรื่องของปัญญาถ้าเราไม่ดึงมันไปคิดมันจะไม่ไปคิดถึงแม้จะมีสมาธิมีความสงบแล้วก็เหมือนกับคนที่พักผ่อนหลับนอนแล้วกินข้าวอิ่มแล้วถ้าไม่มีเจ้านายมาเรียกตัวไปทำงานเดี๋ยวก็ไม่ไปนั่งดูโทรทัศน์ดีกว่า ด, ดูทีวีอ่านหนังสือพิมพ์กินกาแฟดีกว่า ต้องมีคนมาสั่งมาเรียกไปทำงานถึงจะไปที่เราไปทำงานกันเพราะเรามีคนสั่งเพราะว่าถ้าไม่ไปเขาไม่จ่ายเงินเดือนเราก็เลยต้องไปกันปัญญานี้ก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราได้สมาธิแล้วพอจากสมาธิมาถ้าเราไม่ดึงไปพิจารณาทางตายรักพิจารณาทางอาสุยภาวะมันจะไม่ไปเดี๋ยวมันก็จะไปคิดถึงรูปเสียงเกิดลดผลตะพะ ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วก็จะทําให้เกิดตัญหาความอยากต่างๆปรากฏขึ้นมาได้อันนี้ก็จะต้องใช้ปัญญาถ้าไม่เช่นนั้นก็จะติดอยู่แต่ขั้นสมาธินั่งสมาได้สมาธิพอออกมาก็ไม่เอามาใช้ทางปัญญาพอจิตฟุง้งก็กลับไปนั่งสมาธิใหม่ก็จะอยู่ตรงขั้นสมาธิไม่ขึ้นสู่ขั้นปัญญาไม่ก้าวขั้นต่อไปได้ แต่ไปขั้นต่อไปได้ต้องบังคับใจให้คิดทางปัญญาเวลาได้สมาธิแล้วเวลาออกจากสมาธิมาแล้วต้องให้พิจารณาร่างกายเลยพิจารณาร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นเพียงอาการสาสสองไม่สวยไม่งามไม่น่าดูไม่น่าชมให้พิจารณาอย่างนี้ไปเรือกเตือนใจสอนใจทั้งร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่น เพราะถ้าเราเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นเป็นอสุภะเราก็จะปล่อยวางเราก็จะไม่ยึดติดกับร่างกายของใครพอเราปล่อยวางได้ร่างกายเขาเป็นอะไรไปเราก็จะไม่ทุกข์แต่ถ้าเราปล่อยวางไม่ได้ถ้าเรายังรักยังหวงเขาอยู่เวลาก็เป็นอะไรไปนี่เราจะทุกข์มากจะร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจเพราะเราไม่พิจารณาทางปัญญากัน การพิจารณาทางปัญญาเพื่อดังนับดับความเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่สูญเสียร่างกายนี้ไปนั่นเองแต่ถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงสักวันหนึ่งมันต้องจากออกไปพอมาถึงเวลาที่มันจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจพิจารณาว่าร่างกายนี้ต้องเจ็บต้องเจ็บไข้ได้ป่วยพอเราพิจารณาเห็นแล้วเรา รับยอมรับความเจ็บของร่างกายเวลามันเจ็บเราก็จะไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายใจไปกรบมันพิจารณาว่าร่างกายไม่สวยไม่งามเราก็จะไม่หลงรักใครเห็นร่างกายของใครเราก็จะไม่หลงรักไม่อยากจะได้มาเป็นคู่ของของเราเราก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับเขาไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปทุกข์กับเขานี่คือหน้าที่ของปัญญาปัญญามีหน้าที่เพื่อตัดตันหาความอยากต่าง ที่หลอกให้ใจไปยึดไปติดไปรักไปชังกับสิ่งต่างๆแล้วก็ไปทุกข์กับสิ่งต่างๆเวลาที่สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปเสื่อมไปหมดไปแต่ถ้ามีปัญญาแล้วก็จะไม่ยึดไม่ติดไม่รักไม่ชังกับอะไรจะรู้แต่จะสัแต่ว่ารู้เฉยๆอยู่ก็อยู่ไปก็ไปไม่เดือดร้อนเพราะไม่มีความยึดติดปล่อยวางเพราะเห็นว่าการยึดติดจะทาให้ใจทุกข์ ถ้าปล่อยวางแล้วใจจะไม่ทุกข์การปฏิบัติก็เพื่อปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์นี้เองจะหลุดได้ก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์เห็ น, น, นอันนี้จังทุกขังอนัตตาเห็นสุภาพเพราะถ้าเห็นแล้วก็จะปล่อยวางไม่ยึดไม่ติดเมื่อไม่ยึดไม่ติดแล้วก็จะไม่ทุกข์เวลาที่มันมีการเสื่อมไปจากไปนี่คือเรื่องของการปฏิบัติ ของพวกเราที่มีอยู่สี่ประเภทด้วยกันแต่จะเป็นประเภทไหนก็ไม่เป็นปัญหาอะไรขอให้มีความเพียรเพียรปฏิบัติไปเรื่อยจะปฏิบัติแบบปฏิบัติง่ายแล้วปฏิบัติยากก็ไม่เป็นปัญหาอะไรจะบรรลุเร็วหรือบรรลุช้าก็ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้ามีความเพียรแล้วก็จะบรรลุได้ทุกคนอย่างแน่นอนเียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นอย่างที่พระเจ้าได้ทรงตัดไว้ว่า บางคนก็เจดวันบางคนก็เจดเดือนบางคนก็เจ็ดปีจะเจ็ดว er ันเจดเดือนเจ็ดปีพอบรรลุแล้วผลมันก็เหมือนกันเหมือนกินข้าวอิ VR, so. อ่มช้า like อิออ่มเร็วเพราะมันอิม่มแล้วมันก็อิ่มเหมือนกันบางคนกินเร็วก็อิ่มเร็วบางคนกินช้าก็อิ่มช้าแต่พอถึงความอิ่มแล้วมันก็อิ่มเท่ากันอิ่มเหมือนกันขอให้กินไปเรื่อยๆก็แล้วกันการปฏิบัติก็เหมือนกันจะปฏิบัติง่ายหรือยากจะบรรลุเร็วหรือช้า ไม่เป็นปัญหาขอให้ได้ปฏิบัติก็แล้วกันขอให้ท่าททำความเพียรไปอย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นไปตามลาดับก็แล้วกันแล้วรับรองได้ว่าจะได้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยกันทุกคนอย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาฟังเทศฟังธรรมเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติธรรมของของการทำความเพียร น, นี้ให้ท่านได้นำมาไปเพียรพิจารณาและปฏิบัติ เพื่อความสุขความเจริญในธรรมที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแต่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรอยาทาวาริวาาปุราปาริกุเรนติสาคลังเอวเมวะอิโตทินางเปตานาังอุ ป, ปกัปฏิ อิทิตังภัติตังตุมหันเก็บะเมวาสมิจัตุสัพเพปเรนตุสังกภาพยันทูปนาราลัสโยยถามะนิโชติอาลัสโยยถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิธิขายุโกภวา าพิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจัตตารธรรมวะาทาันติอายุวันโนสุขังภาลาังช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลย เพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขอยุติในการถามตอบปัญหาเมื่อใครถามอะไรก็ถามได้ค่กมามาะกราบนรัสการเจ้าขาพระอาจารย์พระอาจารย์เจ้า ข, า, า, า, า, ขาคือโยมจะถามว่าเพื่อตอนนี้โยมใช้วิธีเจริญสติเจ้าค่ะเพราะว่ามีความคิดพงซ่านก็เจริญสติพุทโธกํากับให้อยู่ตลอดใน ทุกขณะถ้าลืมก็ก็ก็ก็รีบกลับมาอยู่กับพุโทโธเจ้าค่ะแต่บางทีความคิดในเรื่องของไปสัญญาบ้างสังขารบ้างโยมก็พยายามคิดว่ามันเป็นอาการของขันห้าแต่ว่าถ้าในเรื่องของความคิดบางอย่างที่เราไม่อยากคิดแต่มันคิดขึ้นมาเจ้าค่ะเราจะตัดมันยังไงอย่างพวกมานะอะไรเนี้ยเจ้าค่ะคือตอนนี้เรายังตัดไม่ได้เราก็กอติดกับพุโทโธไปก่อนะอย่าไปสนใจ มันจะมาขึ้นมาแข่งกับเราเราก็ใช้พุทโธแข่งกับมันไปเหมือนคนร้องเพลงแข่งกันใครร้องได้นานกว่าเดี๋ยวคนนั้นก็ชนะเองเอพุทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวความคิดต่างๆมันก็จะแพ้เราเองแต่ถ้าเราหยุดพุทโธมันก็จะชนะเราะเวลาเกิดมานะขึ้นมาก็อย่าไปสนใจพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวมันก็หายไปอะไรขึ้นมาก็อย่าไปสนใจพุทโธพุทโธไปเรื่อย คุณเจคําถามจากทางบ้านจากคุณเบลิต้าฟังพระอาจารย์เทศทุกวันพยายามปฏิบัติตามแต่ก็ยังสอนใจไม่ได้ค่ะหรือว่าสติกําลังยังไม่พอคะก็ยังไม่พอความเพียนยังไม่พอพยายามสร้างสติขึ้นไปเรื่อยๆสตินี้เป็นเหมือนเบรกของรถยนต์เป็นเบรกของใจ ถ้าเราไม่เบรกมันมีกําลังไม่ไม่พอมันก็เบรกเบรกไม่ได้เหมือนรถยนต์ถ้าเบรกไม่ดีมันก็หยุดรถไม่ได้ชั้นใดถ้าสติเรายังมีกําลังไม่พอมันก็จะหยุดใจไม่ได้ก็อย่าไปท้อแท้อย่าไปเบื่อนายให้รู้ว่าอย่างน้อยเรามีความพยายามที่จะหยุดมันดีกว่าที่ไหลตามมันไปพอมันเรียกปั๊บก็วิ่งไปเลยบอกให้ไปเที่ยวก็ไปเลย ตอนนี้เราอย่างน้อยก็พยายามสู้กับมันไปมันจะชวนไปเที่ยวเราก็พุโทโธพุโทโธของเราไปนั่งสมาธิหรือไปวัดดีกว่าให้คิดอย่างนี้แล้วเราก็จะได้รู้ว่าเรากําลังต่อสู้กับมันเราไม่ได้เป็นลูกน้งงองมันอีกแล้วเพียงแต่ว่ามันมีกําลังมากกว่าเราเรายัางไม่สามารถที่จะน็อกมันได้เท่านั้นเองแล้วถ้าเราพยายามสู้กับมันไปเรื่อยๆถ้า กำลังของทํามมันคือสติของเรามีมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปเราก็จะน็อกมันได้หยุดมันได้ของเราตอนนี้ขาดกำลังกำลังเราน้อยกว่าเขาเขาเป็นแชมป์โลกมานานแล้วเราเพิ่มมาเริ่มขึ้นมาก้าวขึ้นสู่เวทีก็ต้องค่อยต่อยเต้าขึ้นไปจากเวทีเล็กขึ้นไปตามลําดับตอนต้นก็ต่อยเต้าจากเวทีของประเทศแล้วก็ไปสู่อาคาเนย์ไปสู่ ระดับอาเซียนเอเชียนแล้วก็ไปสู่ระดับโอลิมปิกเนี่กูต่อสู้ของเรามันเป็นเหรียญทองโอลิมปิกเราจะไปสู้กับมันปุ๊บปั๊บเราจะเอาชนะมันนี้เป็นไปไม่ได้ต้องใช้เวลาสร้างกําลังขึ้นมาสร้างความรู้สร้างความสามารถต่างๆขึ้นมาดงั้นตอนนี้อย่าเพิ่งไปรีบร้อนพอพุทธโตได้2คํานี้อย่ายให้มันตายนี้มันไม่ตายง่ายๆหรอก ขอให้พุโทโธสักสองหมื่นคำก่อนลองดูสักสองหมื่นคำดูซิมันจะตายไม่ตายเอาพุโทโธสองสามคำแล้วว่าอา้ามันยังอยู่ก็มันจะไปทำมันจะไม่อยู่กล้าไปตัดไปยักมันสองสามทีพอมันต่อยเราปับ๊บเราก็ล้มลงไปแนละ้วพยายามสร้างพุโทโธพุโทโธขึ้นไปเรื่อยๆอย่าท้ออย่าแท้อย่าท้ อ, อแท้เบื่อนายอย่าท้ อ, ทท อ, อ, ทอถอยพยายามทําไปเรื่อยเก็บเล็ขผสมน้อยเหมือนกับกระต่ายเนี่ย อันเหมือนกับเตาเนี่ยทําไปเรื่อยๆคายไปเรื่อยๆอยากไปทําแบบกระต่ายวันไหนอยากจะพุโทโธก็พุโทโธวันวันไหนไม่อยากจะพุโทโธก็เลิกไม่พุโทโธเลยถ้าอย่างนี้มันไปไม่ถึงไหนนะต้องเอาแบบเตาพุโทโธไปเรื่อยๆดูดบ้างเพ้อบ้างพอได้สติก็กลับมาพุโทโธพุโทโธต่อเอามันทุกช่วงทุกเวลาที่เรานึกถึงได้แล้วเดี๋ยวมันก็จะมีกําลังมากขึ้นไปเอง คำถามจากคนหลงทางหรูเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์รูปหนึ่งที่เชื่อว่าเป็นพระอาหารหันต์มาสองปีแล้วรู้สึกดีมากๆรักแบบบริสุทธิ์เคารพเชื่อใจไว้ใจศรัทธาเลื่อมใสยอยากจะดูแลท่านแบบนี้มันบาปไหมคะรู้สึกแบบนี้ผิดไหมคะควรทำใจอย่างไรคะคืออย่าไปยึดเด็ดในบุคคลนะ เราไปยึดติดในคำสอนของท่านการที่เราไปหาท่านนี้เราไปเพื่อฟังคำสอนไม่ต้องการที่จะไปครอบครองร่างกายของท่านไม่ต้องการจะไปไปมีส่วนเกี่ยวข้องทางทางด้านความสัมพันธ์ต่างๆไปแบบนักเรียนเข้าหาอาจารย์เหมือนเราไปโรงเรียนเราไปเรียนกับอาจารย์กับครูเราก็ไม่ได้ไปอยากจะไปรับใช้อยากจะไปทำอะไรกับอาจารย์ เ, เราก็ไปฟัง ทำสอนของอาจารย์แล้วเราก็นําหมดไปปฏิบัติอย่าเสียเวลากับการไปดูแลรับใช้ครูบาอาจารย์ตอนนี้ให้เรามาเสียเวลากับการที่จะมาปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมก่อนเมื่อบรรลุแล้วจะไปรับใช้ดูแลท่านทีหลังก็ได้หรือถ้าท่าน ถ, ถ้าท่านมีคนอื่นดูแลอยู่แล้วเราก็ไม่ต้องไปดูแลท่านดูแลตัวของท่านได้ท่านเก่งกว่าเราเราอยังดูแลตัวเราเองไม่ได้ เรากลับมาดูแลตัวเราเองก่อนเถิดเรื่องครูบาอาจารย์นี้ท่านไม่ต้องการให้เรามาดูแลแล้วท่านหรอกท่านดูแลตัวท่านได้มาตลอดท่านถึงบรรลุธรรมได้ยังไม่ต้องไปยึดติดกับตัวท่านแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลกับเรื่องการไปรับใช้ดูแลท่านท่านไม่ต้องการให้เราทําอย่างนั้นท่านต้องการให้เราเอาคําสอนของท่านไปปฏิบัติเพื่อให้ได้บรรลุธรรมคําถามจากผู้ฝากถาม วิธีละความมีทิฐิมีความเชื่อมั่นใจตัวเองแบบผิดๆใครเตือนใครสอนด้วยความหวังดีก็โกรธและไม่ฟังทำอย่างไรจะทำลายตัวนี้ไปได้คะก็ต้องฝืนเหมือนต้องต้องอคอยเตือนใจว่าเป็นความคิดที่ไม่ดีเป็นความคิดที่ผิดเป็นความคิดที่จะทำลายตัวเราต้องยอมรับคำสั่งคำสอนของผู้อื่น พยายามถ่ออ่อนน้อมถ่อตนทำตนให้เองให้เป็นเหมือนปัตภีเป็นเหมือนแผ่นดินที่ใครจะเหยียบจะย่มอย่างไรก็ได้ใครจะดูจะดา่าใครจะว่ากล่าวตักเตือนอะไรก็ให้เขาทาได้เราต้องลดมานะทิสิลดการอัตตาตัวตนลงไปคำถามจากคุณแอนนีดิฉันมีลูกชายไม่สธาศาสนาใดเลยเขามองว่าเป็นเรื่องงมงาย ศาสนาเป็นเพียงกุสโลบายให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้เท่านั้นดิฉันควรทำอย่างไรให้ลูกชายกลับมาศรัทธาในพระพุทธศาสนาคะเราทำไม่ได้หรอกถ้าเขาไม่กลับมาถ้าเขามาเขาก็มาเองถ้าเขาไม่มาก็ไม่ต้องมาไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปทำให้เขามาหน้าที่ของเราทำให้เรามาดีกว่าเอามาไม่มาไม่เป็นปัญหาอะไร อยู่ที่ตัวเรามาหรือไม่มามากกว่ า, างั้นทำตัวเราให้มาก่อนเถอเมื่อเรามาแล้วเขาอาจจะตามมาทีหลังก็ได้คำถามจากหนูแอมหนูพูดโททั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับพอพูดโทไปมันมีลักษณะทวนเข้าหาผู้รู้แต่มันรู้สึกว่าผู้รู้ไม่ใช่พูดโท ตัวพุทธโธมันออกมาจากอะไรหนูรู้สึกว่ายังไงมันก็สงบไม่ได้หนูจะต้องทําอย่างไรให้สงบคะก็ต้องนั่งหลับตาแล้วก็พุทธโธถึงจะสงบค่ะคำถามจากคุณอาตพรการหนีบิดามารดาหนีครอบครัวออกบวชเป็นบาปไหมครับและสามารถทําได้ไหมครับพระพุทธเจ้าดั้นก็ทํามาแล้วเนี่ยไม่เห็นจะบาปตรงไหนได้เป็นพระพุทธเจ้า การนี้มาแล้วได้เป็นผ้าอาหารมึงก็ไม่เนจะเสียหายตรงไหนคำถามจากคุณสมัยทำอย่างไรเราถึงจะไม่โกรธไม่อิจฉารู้จักปล่อยวางคะมันก็ความโกรธก็เกิดจากความอยากของเราพอเราอยากได้อะไรแล้วเราไม่ได้ดังใจอยากเราก็จะโกรธเน้นถ้าเราต้องลดละความอยากต่างๆให้มันน้อยลงให้ยินดีตามมีตามเกิด ได้อะไรก็พอใจใครทำอะไรให้กับเราอย่างไรก็พอใจเขาจะด่าเราก็พอใจเขาจะชมเราก็พอใจถ้าเรามีใจที่สันโดษยินดีตามมีตามเกิดเราก็จะไม่โกรธใครแล้วคีนั้นก็ถามนะนอกจากความโกรธเรามีอีกคําปล่อยวางคะ่ะอิจฉาด้วยค่ะแล้วก็ปล่อยวางอิจฉาก็ต้องใช้ เหตุผลว่าคนเรามีบุญวาสนาได้ทําความดีความเชื่อมามากน้อยต่างกันมีความรู้ความสามารถความฉลาดมากน้อยต่างกันแข่งรถแข่งเรือพอแข่งกันได้แต่แข่งวาสนาบารมีนี้แข่งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าใครเขามีวาสนาบารมีมากกว่าเราเขาเก่งกว่าเราดีกว่าเราจเจริญกว่าเราเราควรที่จะ แสดงมุดิตาจิตคือชื่นชมยินดีว่าเขาอุตส่าห์สร้างความสร้างบา ร, รมีมาต่างๆตอนนี้บา ร, รมีที่เขาสร้างมาตอนนี้ได้ส่งผลให้เขาได้รับผลของเขาแล้วถ้าเราอยากจะได้เป็นเหมือนเขาเราก็ต้องพยายามสร้างบา ร, รมีแบบเขาแล้วต่อไปในอนาคตเราก็จะได้เป็นเหมือนเขาได้ให้คิดแบบนี้ดีกว่าที่ไปอิจฉาเขาเพราะอิจฉาไงก็เราก็ไม่ได้อยู่ดี เพราะการที่จะได้ดิบได้ดีได้ความสุขความจเจริญนั้นมันเกิดจากการสะสมบุญบารมีต่างๆคำถามจากคุณติ๋มดิฉันมีหัวหน้างานที่ไม่มีความเป็นกลางตากสินะไรเอาความพอใจตัวเองเป็นหลักห้ามใครเถียงหรือแยง้งเราจะปฏิบัติงามลูกงานร่วมกับหัวหน้าแบบนี้ต่อไปอย่างไรดีเพื่อไม่ให้เป็นคนอกตัญู พอเขาเคยโอกาสให้เราเท่าเข้าทำงานและดิฉันเองก็ต้องดูแลลูกน้องให้ได้รับความยุติธรรมและมีความสุขในการทำงานค่ะเราก็ต้องทำแบบปล่อยวางคือปล่อยเขาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาจะเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขาเราดูตัวเราดีกว่าดูหน้าที่ของเรา เราทําตัวเราทําหน้าที่ของเราให้ถูกต้องก็แล้วกันส่วนหน้าที่ของคนอื่นการกระทําของคนอื่นนี้ไม่ใช่หน้าที่ของเราคําถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามโยมรู้สึกว่าธุรกิจเสริมความงามแฟชั่นมันส่งเสริมให้คนหลงไหลในรูปไม่ได้ไปในแนวทางเดียวกับคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้ตื่นจากความหลงความรู้สึกแบบนี้มองโลกในแง่ร้ายเกินไปไหมคะ คือถ้ามองด้วยความเมตตาคือไม่โกรธเกลียดก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ามองด้วยความโกรธเกลียดก็เป็นกิเลส ข, ขึ้นมาได้งนั้นเรามองตามความเป็นจริงแล้วเราก็ปล่อยวางทำใจเฉยเฉยก็มองแบบนี้ก็ใช้ได้แต่มองแล้วกลับไปโกรธไปเกลียดพวกที่เขาหลงกับความสวยงามความเสริมความงามต่างๆอย่างนี้ก็ไม่ถูก คำถามจากผู้ม่ประสง์ออกนามการที่เรารู้สึกไม่อยากทำงานรู้สึกพอเพียงแล้วที่จะหาเงินไปแลกซื้อสิ่งของที่ไม่จําเป็นป่วยก็รักษาตามอัตภาพแบบนี้ไม่ถือเป็นวิภวะตันหาใช่ไหมคะไม่หรอกถ้าเรามีความพอแล้วเราก็ไม่ต้องทำอันนี้ก็เหมือนกับ ก, กินข้าวอิ่มแล้ว ไม่กินอีกก็ไม่ใช่เป็นวิภาวะตัณหาที่ไม่กินอีกก็เพราะว่ามันกินไม่ได้แล้วมันร่างกายรับได้เพียงเท่านี้แล้วอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นวิภาวิะตัณ ห, หาก็คือยังกินยังไม่อิ่มแล้วก็ไม่อยากกินเนี่ยอันนี้อาจจะเรียกว่าเป็นวิภวะตัณหาขึ้นมาได้หมดแล้รอมีใครอยากจะถามยังไ ค่ะต่อไปเป็นคำถามจากคุณจั ก, กรินนะคะกราบนมัส ก, การพระอาจารย์ผมติดตามเทสเทศนาและคำตอบมาพักหนึ่งแล้วและปฏิบัติอยู่บ้างใจก็รวมดีพอมีสมาธิแล้วก็ถอยออกมาดูครั้งหนึ่งสังเกตเห็นว่ามันมีแสงปรากฏขึ้นมาพอเราเพ่งหมายถึงสนใจดูมันแล้วมันก็จะแปรปรวนไปแบบต่างๆแต่พอเราชักใจออกมันก็ดับไปเลยอนุมานได้ว่า สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นดับไปตั้งอยู่เป็นธรรมดาโดยเฉพาะสังขารที่เราเข้าไปปรุงทั้งผัาษะความคิดสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ได้มีอิทธิพลอะไรกับเราถ้าเราเข้าไม่เข้าไปยึดถือและในขณะเดียวกันแต่ถ้าเราเข้าไปยึดติดเราก็โง่ที่ไปหลงไปถือว่าเป็นของเราแล้วก็ทุกข์ทับถมตัวเองให้เกิดความยากลําบากทรมานไปเองทีนี้ผมถามว่าผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ คือการเข้าใจว่าสภาวธรรมทั้งปวงนี้เป็นอ น, นิจจังทุกขังอนัตตก็ถูกต้องเพียงแต่ว่าตอนที่ทําสมาธิแล้วจิตสงบนี้ไม่ควรถอนออกไม่ควรถอยออกมารับรู้อะไรควรจะปล่อยให้จิตอยู่ในกับอยู่กับความว่างจะดีกว่าเพราะพอถอยออกมารับรู้แล้วจิตก็จะขาดไม่มีกำลังเพราะว่าจะต้องเอามาใช้ในการรับรู้เรื่องราวต่าง อันนี้ไม่ควรทำตรงนี้เวลาจิตสงบแล้วว่างเย็นสบายก็ปล่อยให้มันอยู่ในที่นั้นอย่าดึงอย่าทอยมันออกมาให้มารับรู้นิมิตต่างๆเรื่องราวต่างๆเพราะว่ามันจะทำให้ไม่มีกําลังที่จะไปใช้ในการเจริญวิปัสสนาหลังจากที่ออกมาจากสมาธิแล้วอีกข้อหนึ่งนะคะตอนนี้ผมพยายามเจริญสติอยู่เรื่อยๆแล้ววันหยุดก็ลองลดเสพกามหมายถึงในหลายๆทาง แต่ยังไม่ได้ถือสินแปลแต่ก็พิจารณาอยู่และมีความคิดที่อยากจะบวชเพียงแต่รอรอสสางธุรกิจที่บ้านและรอน้องสาวเรียนจบซึ่งคาดว่าอีกประมาณปีครึ่งถึงจะบวชตามใจปรารถนาแต่ทีนี้มีคนที่มีความหวังดีเข้ามาแสดงความคิดว่าน่าจะดูอยู่บ้านดูแลพ่อแม่จะดีกว่าแต่ผมกลับคิดว่า ถ้าเราสามารถบวชและสามารถสอนสัจธรรมให้กับพ่อแม่ได้น่าจะเป็นที่พึ่งให้ได้ดีกว่าไม่ทราบ ว, ว่าคิดถูกหรือคิดผิดครับก็คิดเหมือนพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็คิดอย่างนั้นคิดว่าถ้าจะช่วยพ่อแม่ช่วยทางด้านจิตใจดีกว่าดีกว่าช่วยทางร่างกายร่างกายช่วยได้มากน้อยเพียงไรก็ต้องตายไปอยู่ดี แต่จิตใจนี้ถ้าช่วยแล้วจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดหลุดพ้นจากกองทุกได้ฉะนั้นควจะช่วยทางด้านจิตใจแต่ช่วยด้านจิตใจได้เราเบื้องต้นเราก็ต้องรู้จักวิธีช่วยตัวเราก่อนช่วยจิตใจของเราก่อนพอเราช่วยจิตใจของเราได้แล้วต่อไปเราก็สามารถเอาไปสอนพ่อแม่ให้ช่วยจิตใจของเขาให้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้คําถามต่อไปจากคุณโลตัสแฮนนะคะ ข้อหนึ่งผมปฏิบัติภาวนาพุโทโธทีทีพอใจสงบได้ระยะหนึ่งจิตก็มาเกาะลมหายใจเองพอเพ่งเข้าลมเข้าออกไปเรื่อยๆลมก็หายไปเหลือแต่ความว่างๆแป๊บๆจิตก็ถอนออกจากความว่างนั้นมาเกาะลมหายใจเข้าออกพอถอนจากลมหายใจเข้าออกจิตถึงค่อยมาเกาะคำบริกรรมพุโทโธจึงค่อยรู้สึกตัวขยับเคลื่อนไหวร่างกาย ผมลองกำหนดพุทธผมลองกำหนดลมไปพร้อมกับพุทโธแต่จิตไม่ค่อยสงบครับต้องบริกรรมพุทโธ ท, ทีทีโดยไม่สนใจลมหายใจไปก่อนแล้วจิตจะไปจับเอาลมหายใจเองแล้วก็เพ่งลมต่อจนกว่าลมนั้นหายไปจึงจะสงบคำถามคือผมทำกรรมฐานผสมกันแบบนี้ผิดไหมครับหรือผมต้องเลือกอาณาปณะสติหรือบริกรรมพุทโธเพียงอย่างหนึ่งอย่างเดียว ก็ดูว่าอย่างไหนทำให้จิตสงบก็เอาอย่างนั้นก็แล้วกันแต่ละคนนี้อาจจะมีเจริตไม่เหมือนกันบางคนเอาคำบริกรรมอย่างเดียวก็สงบได้บางคนดูลมหายใจอย่างเดียวก็สงบได้บางคนก็ต้องเอาทั้งลมหายใจทั้งคำบริกรรมควบคู่กันไปถึงจะสงบก็ได้แบบไหนก็ได้ขอให้ได้ผลก็แล้วกันเหมือนกินอาหารจะกินอาหารชนนี้แล้วอิ่มก็ได้ กินอาหารชนิดนั้นแล้วอิ่มก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารชนิดเดียวกันข้อสองนะคะบ่อยครั้งมากที่ผมนั่งสมาธิพอนั่งบริกรรมไปไม่นานก็เหมือนกับกล่งหลับกล่งตื่นฝันไปเรื่อยๆไม่รู้จบตัวกระผมเองนั่งดูฝันนั้นอยู่แต่ไม่มีสติพอที่จะหักห้ามหรือดึงตัวเองออกจากฝันนั้น บางทีนั่งไปยังไม่ถึงนาทีก็ฝันแล้วขอคําแนะนําจากพระอาจารย์แก้ปัญหาอาการกึ่งฝันนี้หน่อยครับก็อย่างครูบาอาจารย์บางท่านท่านไปนั่งอยู่ที่หน้าตากเขวนะถ้านั่งแล้วมันพอมันเผลอสติเมื่อไหร่สับระงบเมื่อไหร่หัวก็ทิ่มตกเขวนะแต่พอมันรู้จะตกเขวมันก็จะไม่มันก็จะไม่เผลอเพราะมันรู้ว่าถ้าเผลอแล้วตายนันต้องไปหาที่มันน่ากลัวนั่งมันถึงจะไม่ อ่าไม่ไม่หลับพูดง่ายง่ายไม่สปปงบต้องหาที่มันน่ากลัวที่ทําให้เราตื่นตัวไปนั่งในป่าที่มีเสียงเสือคารามอย่างเนี้ยครูบาอาจารย์ท่านชอบไปอยู่ในป่าในเขากันไปหาเสือหาสัสตว์ต่างๆเพื่อที่จะได้มาปลุกสติปลุกจิตให้ตื่นไม่ให้หลับอันนี้เป็นอุบายเป็นเสิ่งที่ผู้ปฏิบัติอ่าต้อง ใช้ในการที่แก้นิวรนคือความง่วงเหงาเหงานอนองค์ก็ไปอยู่นั่งในป่าช้าองค์ก็อดอาหารแล้วแต่ว่าแต่ละองค์จะใช้แบบไหนได้ผลก็ใช้แบบนั้นไปผู้ปฏิบัติจะต้องเลือกเอาเหมือนกับการรับประทานอาหารรับประทานอาหารชนิดไหนแล้วทําให้ ถูกปากถูกใจถูกคอรับประทานได้ง่ายได้ไดอิ่มก็เอาอย่างนั้นอุบายวิธีต่างๆของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันก็ต้องเลือกเอาเองว่าแบบไหนดีแบบไหนเหมาะสมกับตนก็ใช้แบบนั้นไปหมดแล้วใช่ไหมมีใครอยากจะถามอยู่ไหมถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา